สีถินสองธนิตสามชีคะสี่รัศกาห้าระหุหกครุเจ็ดนิกหิตแปดสัมพันธ์เก้าวะวัติตะแล้วก็สิบวิมุตตะทีนี้ท่านอธิบายยังไงอธิบายบอกพร้อมทั้งอัตถาแล้วพร้อมพยานชนะเนี่ยถ้าตามในของคำพีนเนี่ยดีปบอกก่อนนะเดี๋ ย, นะยไม่ดึงมานะแต่เอาตัวอย่างนิดๆนะก็ อ, อย่างนี้ คำว่าศาสนะเป็นต้นแล้วนะกังสนาเป็นต้นนะไล่ไปเถอะทีนี้ประการต่อมาคือว่าในคำพี์เนี่ยติดในบอกพยัญชนะขึ้นแสดงก่อนในคำพีเอาเอาบทเอาพยัญชนะขึ้นแสดงก่อนคืออัคาราบทเคยเรียนมายัางพอดีดูมาไหมหเรหมพราะการถือเอาพยัญชนะย่อมมีได้ด้วยพยัญชนะเป็น สำคัญก็จริงอยู่ถึงกข น, นั้นในที่นี้ท่านประสงค์จะแสดงอักก่อนไนงะอักทะและพยัญชนะแต่ในคั้นนี้เนี่ยเจ้าปกรอเอาอักขลาบทเอาพยัญชนะขึ้นก่อนเข้าใจาใช่ไมอันนี่ตามใจฟังนะอย่างเงี้ยคือต้องการอธิบายอย่าไปนั่งหลับฟังนะเดี๋ยวหลับปุ๊ไปื่อไม่เขาา้าใจเดี๋ยวจะถามเนี่ยเป็นเงี้ยถึงออกบางทีไม่ค่อยอยากอธิบายลงเล็กอันนี้ภาษาเนะี่ย ทนัศาสตร์ถังสัพยัญชนังมีคําว่าสังกาสนะสังกาสนะประกาศสนาเป็นต้นนะนะสังกาสนาประกาศศาสนาคำว่าสังกาสนะคําว่าศาสังกาสนะแปลว่าประกาศสังกาสนะนี่แสดงทําให้แจงแจ้งเรียกกับสังกาสนะประกาศแสดงทําให้แจงแจ้งการแสดงย่อชื่อว่าสังกาสนะเหมือนอย่างคำว่าอะไรมัญญามโนโคภิกขุพันโธมาระสะ อมัญยมาโนมุตโตดูก่อนทิฏฐิทั้งหลายบุคคลผู้หมัดมีบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ถูกมารถูกไว้ไม่หมายมั่นก็พ้นจากมารได้ใช่ไหมบุคคลผู้หมายมั่นก็ถูกมารผูกบุคคลที่ไม่หมายมั่นก็พ้นอย่างมารหมายมั่นนั้นเป็นชื่อของตันหาราคะตันหามาร่าทิถีเป็นต้นฉะนั้นใครที่หมายมั่นในตันหาหมายมั่นในมาน่าหมายนั้นในทิถีก็ถูกมารผูกไว้คนที่หมดความหมายมั่นหรือคนไม่ไม่หมายมั่น ละความหมายมั่นดังนั้นละตำหาเป็นต้นได้ก็ไม่ถูกมารปูกไว้ก็คาถอนเพียงเท่านี้พิกู่แทงตลอดได้ด้วยเหตุนั้นเธอจึงกราบทูลคำวิที่ว่าข้าแต่พระโอษฐ์พราเจ้าข้าพองค์ทราบแล้วข้าพองค์ทราบเลยใช่ไหมได้ยินคํานี้ได้ยินแค่นี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าแสดงย่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกแสดงในลักษณะว่าสังกาสนะสังกาสนะก็คือการประกาศแสดงแบบย่อทีนี้ การประกาศทีแรกการประกาศทีแรกเนี่ยนะชื่อว่าประกาศสนะการแสดงการแสดงความที่จะพึงกล่าวมาภายหลังจากคำทีแรกเนยเช่นในคําเป็นอาธิว่าัพพังวิกเวีาที่ตงังวิตโตเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกหญิงทุกอย่างเป็นของร้อนเนี่นะนั้นชื่อว่าประกาศสนะทุกอย่างเป็นของร้อนนะ่ะชื่อว่าประกาศสนะประกาศใช่ไหมเพราะปะาศัพท์เนี่ยเป็นไปในอัดกระทาทีแรกเช่นในคําว่า ปัญญาเปติก็แปลว่าย่อมบัญญัติคือทําให้รู้ทีแรกส่วนปัตเปติ น, นี่แปลว่าเริ่มตั้งเห็นไหมคือการเริ่มตั้งคือตั้งไว้ทีแรกเป็นต้นก็สองบทก็คือสังกาสนะประกาศสนานี้ก็ะเ็งถึงบุคคลผู้มนะีอุศนะอุศีแก่กล้าแล้วเป็นบทอุเทศก็บอกจริงอยู่นะบุคคลนะมีอีสีแก่กล้าก็าแทงตลอดในความได้โดยการกล่าวแตย่ย่อๆทีแรกแค่นี้ ออินทร์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขาแก่กามมางั้นการกล่าวเนื้อความหรือพิสดารเนี่ยการกล่าวคําที่กล่าวมาแล้วครั้งแรกอีกชื่อว่าวิวารณะวิวารณะแปลว่าขยายขยายและวิพัชนะจําแนกขยายแล้วก็จำแนกเหมือนอย่างเนื้อความที่กล่าวไว้แต่โดยย่อครั้งแรกที่บอกว่ากุศลธรรมาเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรกุศลธรรมาแปลว่าแปลว่าอะไร อรีบแปลรีบท่านใช้เวลาน้อยต้องตั้งใจใดีคนคนต้องดูดูนะว่าคนฟังเนี่ยน้อมจิตตามผู้บรรยายหรือไม่อาจารย์ยยใช่ไหมถ้าคนฟังคิดไปต่างเนี่ยผู้บรรยายจะบรรยายทําไมใช่ไหมเออจะบรรยายให้ใครฟังมันไม่คิ ด, ยงไงได อ, อย่างนั้นได้ไงใช่ไมเวลาก็ถามเนี่ยไม่ใช่ไม่พูดใช่ไหม ถามต้องพูดไม่ใช่ถามเฉยอะไรเนงะี้ยไม่ใช่เราเป็นคนหนกคนใบ้ดีไหนเราใช่ไหมเราไม่ใช่คนหนกคนใบ้ดิแ่แล้วก็ถ้าพูดที่เราบอกเอย่างนั้นต้องน้อมใจรักงานนั้นดีถ้าถามว่าถ้าถามว่า อ, อ, อาจารย์มานั่งเป็นอาจารย์เป็นั่งฟังแล้วเราบรรยายแล้วอาจารย์ทําอย่างเรเราจะคิดยังไงเออต้องคิดไปกรอกกันดูดิไม่คิดอย่างนั้นได้ไงแล้วอยู่มันเหมาะไหมล่ะก็ไม่เหมาะอีก เห็นไมเไปคิดซะอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็เสียเลยต้องตั้งจิตให้เป็นเดี๋ยวเวลาฟังคำตั้งจิตไม่เป็นห็นไมันไม่ใช่เปนของสูงมันของใหญ่เนยมันไม่ใช่ของเล็กของบางงั้กุศลธรร ม, มาเนี่ก็แปลว่ากุศลธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายและกล่าวซ้ําโดยการขยายยังไงนะการขยายคือการจําแนกการกระทาําในพิจาน จากกุศลธรรมาเนี่ยกัตเมธรรมม า, ามมกุศลายสริสมเยกกามาวาจรังกุศลังจิตตังเนี่ยเราเรียนมาแล้วจิตเนี่ยใช่ไหมกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเชไหนสมัยใดกามาวาจรกุศลจิตเกิดขึ้นสองบทเนี่ยวิวรณ์วิภัชนาเนี่ยเลงถึงบุคคลผู้มีสีปันกลางนะการแสดงลักษณะเนี่ยเพราะความเป็นนิเทศกล่าวเนื้อความที่ได้เปิดเผยไวไ้ให้พิสธรรมยิ่งขึ้น และทําความเข้าใจเนื้อความที่จําแนกไว้โดยประการทั้งหลายอันเป็นเครื่องประมใจของเราเวเนยชนหรือเวเนยสัตว์นี่เป็นอย่างไง้นังนั้นตรงนี้ก็เรามาลองดูที่ว่าถ้าแสดงย่อคือกุศลธรรมมครั้งแรกนี่เป็นบทตั้งเนี่ยนะครั้งแรกในกุศลธรรมมาเนี่ยนะอันนั้นเป็นการที่บอกว่าการกล่าวเนื้อความย่อยพิสดารและกล่าวคามที่กล่าวครั้งแรกอีกควิวรณะการขยายวิพัชนาะการจําแนกเหมือนอย่างาำที่บอกว่าเอออันนี้เป็น บอกว่าการขยายใช่ไหมกุศลธรรมมาเป็นต้นเอ่อกุศลธรรมนี่เป็นการบกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะแต่แกกุศลจีบเอเจเดศิกสามสิบปดเนี้ยอันนี้เป็นการการขยายเอาจะจำแนกกุศลอย่างไงเอาจําแนกเลยกล่าวซ้ำอีกเลยกาตเมธรรมากุศลายโยมสมเยกามาวจรังกุศลังจิตตังเลยกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเชไหนสมัยใดกาเาวจรังกุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยใดมากุศลจิตเกิดขึ้น เ ไ, ไห ม, มัมาหาอสรจิตเกิดขึ้นอันนี้เป็นกาจิตนั้นสองบวดวิวารณาวิพัชนาเนี่ยเงถึงบุคคลผู้มีสีปานกลางที่พระองค์ย้ำแนกเนี่ยถึงบุคคลที่มีสีปานกลางเพราะความเป็นคำนิเทศ